ชาวบ้านกันนี่ครับปืนแกป๊ปปืนทาเองพอได้ยินเสียงโอ้โหบางทีมันเทีย่ยงคืนก็มีตีหนึ่งทีสองก็กำลังนอนหลับๆเสียงสนันวันเปรียบเหมือนกับโูครับตบศึกลักษณะอย่างนั้นแหละคนโบราณนะชาวบ้านบ้านไหนก็บ้านนั้นอย่างนั้นก็เป็นจำเนยนนขึ้นอยู่ภูโจกมันมีหลายหมู่บ้าน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 โบราณเนพูดเราๆให้ลูกให้หลานฟังต่อไปก็คงจะหมดแล้วบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองสมัยหลวงพ่อเป็นเด็กก็บอกกบกินเดือนท่ากลางวันก็บากกบกินตะวันแต่ปีหนึ่งเดีหลวงพ่อจำไม่ลืมเป็นเรยนน้อยเรียนเป็นเด็กเรียนหนังสือโอ้จนไก่เนีเข้ารกเลยแล้ว่างั้นเอะเออมันมืดถึงขนาดนั้นล่ะมืดสลัวเลยนะ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 เทพรังสีเป็นหลานของท่านหลานผู้ใหญ่ท่านก็สร้างวัดป่านาศีดาตำบลกลางใหญ่อําเภอบ้านผือเรานี่แหละแต่ท่านมรณภาพมาสิบปีตอนมรณภาพก็หลวงพ่อเนี่ยได้ไปไประชุมหาลือสร้างเจดีถวายองค์ท่านก็บมดไปหลายเงินเหมือนกันนะสวยงามเหมือนกันบริษัทษเสาหลักเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง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 นี่แหละอันนี้ก็คือสรุปแล้วท่านไม่ได้มอบให้พูดใดใครพู้หนึ่ง เ, เมื่อเราล่วงรับไปแล้วให้พวกท่านทั้งหลายานับถือพระอนณนแทนเรานะาพระมาหากัส ป, ปะแทนเรานะหรือพระเถระแทนเรานะองค์นั้นองค์นี้แล้วกลุ่มพระสงฆ์เป็นผู้แทนเราแต่ฐาคตพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ตรัสอย่างนั้นท่านบอกว่าธรรมและวินยัยนั่นแล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 สิ่งไหนที่ท่านจะทำให้ท่านหนักใจทำให้จันทุกข์ใจทำให้ท่านไม่สบายใจเราอย่าทำเพราะเราใหญ่แล้วรู้แล้วเราได้รับการศึกษาแล้วได้ฟังแล้วยอย่างทุงโลกหลวงพ่อพูดให้ฟังเดี๋ยวนี้แหละไม่ได้ฟังอั่นไงฟังแล้วดีไหมถูกต้องไหมที่หลวงพ่อพูดให้ฟังถูกต้องไหมถ้าถูกต้องออเออนาไปปฏิบัติเละ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 มัดคอจิตมัดคอตัวผู้รู้นะมันตามไม่ทันเพราะฉะนั้นต้องมีสติตังในปนจนัญจท่านจึงให้ตั้งสติสัมปชัญญะเนี่ยพอตั้งสติแล้วทํำยังไงแต่ในนั่งสมาธิกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้ามีสติหุมีสติหายใจเข้ามีสติในรู้ว่าหายใจออกมีสติรู้ว่าหายใจเข้ามีสติให้รู้ว่าหายใจออก นี่แหกำหนดสติอยู่กับที่ปลายจมูกในเมื่อดูเราร่ามีสติอยู่ตรงนี้แล้วนะอจิตของเราก็จะรวมเน่งหยุดจุดหุดคิด น, ะนี่แหละการหยุดคิดจุดนี้แหละแต่ว่าสมาธิแหละนะจิตที่เป็นสมาธนะิมีความสุขนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสนัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะ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 ประพฤติปฏิบัติและมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขนะตอนนี้ไปรับพรในทันทีนะพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร